สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อที่8ของกฎทองคำข้อที่6กฎแห่งการรับใช้ครับและหัวข้อที่8นี้เป็นเรื่องของแบบอย่างที่มีความสำคัญมากกว่าอำนาจแบบอย่างสำคัญกว่าอำนาจเพราะจนระของพระเจ้าในเช้าวันนี้1นปใบโตบ ท, ที่5ผมจะขออนุญาตอ่านตั้งแต่ข้อที่1 จนถึงข้อที่5นะครับโปรดฟังพอจะของพระเจ้าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ใหญ่ในพวกท่านทั้งหลายในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และมีส่วนที่จะรับศักดิ์รีอันจะมาปรากฏภายหลังจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่านไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้มาโดยทุจริตแต่ด้วยใจเรื่มใสและไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขีผู้ที่อยู่ใต้อำนาจแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏทั้งหลายจะได้รับศักิ์ศรีเป็นมงกุฎ ที่ร่วงโรยไม่ได้เลยในทนํานองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ในข้อที่3ครับปลดไฟอีกครั้งหนึ่งครับและไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทําให้เราเห็นว่าแบบอย่างนั้นสําคัญกว่าอํานาจครับไม่ใช่เป็นเหมือนเจ้านายที่ข่มขี่หมายความว่าเจ้านายนั้นมีหลายแบบครับ เจ้านายที่ใช้อำนาจข่มขีลูกน้องก็มีเจ้านายที่ใช้บารมีใช้พระคุณใช้แบบอย่างเป็นตัวอย่างให้กับลูกน้องก็มีในการปกครองลูกน้องนั้นก็มีศาสตร์และมีศีลมากมายเพียง ค, ครับศาสนาอาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นได้ให้ข้อคิดที่สำคัญครับบอกว่าอำนาจของโลกนี้นั้นมาจากตำแหน่งหน้าที่ พอหมดตำแหน่งหมดหน้าที่อำนาจก็หมดไปแต่อำนาจฝ่ายวิญญาณนั้นได้มาจากการเป็นแบบอย่างครับอำนาจฝ่ายวิญญาณได้มาจากการเป็นแบบอย่างเหมือนคาที่ชาวจีนกล่าวว่าใช้คุณธรรมชนะใจคนใช้คุณธรรมชนะใจคนการใช้อำนาจชนะใจคนก็มีได้ตอนที่เรามีตำแหน่งหน้าที่เราอยู่ในตำแหน่งทุกคนก็จะฟังเรา เพราะว่าเรามีตำแหน่งแต่ผลที่ได้คือเราชนะได้เราใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ได้แค่ภายนอกเท่านั้นเองคือเราจะได้ยินคำพูดที่ยอมยอมยอมได้ได้ไ ด, ได้ครับผมครับท่านเราจะได้คำพูดแบบนี้แต่เราได้แค่ภายนอกครับยอมได้ที่ปากแต่ใจไม่ยอมพี่น้องครับ ในขณะที่เราทั้งหลายเป็นผู้นำนี่คือสิ่งที่เราควรจะกลับมาคำนึงและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการใช้คุณธรรมชนะใจคนการชนะแบบนี้เป็นการชนะหมดใจครับทั้งหัวใจคือทั้งปากก็ยอมทั้งใจก็ยอมและเป็นการยอมด้วยความยินดีเป็นการยอมแบบสวามิภักดิ์ เป็นการยอมที่นําไปถึงความจงรักภักดีพี่น้องครับเมื่อถึงตรงนี้เราเองอาจจะต้องถามตัวเองว่ามันยากหรือมันง่ายในขณะที่มีเจ้านาย3ประเภทด้วยกันก็คือเจ้านายที่ใช้อํานาจใช้กําลังเจ้านายที่ใช้เหตุผลและเจ้านายที่ใช้คุณธรรมพี่น้องครับในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นผู้นํา เราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วต้องฝึกฝนที่จะเรียนรู้ใช้วิธีที่2และวิธีที่3ครับวิธีแรกคือใช้กําลังใช้อํานาจวิธีที่2คือใช้การเหตุผลใช้การพูดการบอกวิธีที่3ก็คือใช้คุณธรรมใช้ความเป็นแบบอย่างเราเห็นนะครับว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้วิธีที่2คือใช้เหตุผลใช้การพูดคุยและวิธีที่3ก็คือใช้คุณธรรม วางชีวิตให้เป็นแบบอย่างใช้พรจนะของพระเจ้าสั่งสอนปกครองคนใช้แบบอย่างที่ดีทำให้คนเปิดใจเหมือนกับพระเยซูผู้เลี้ยงที่ดีตรัสว่าผู้เลี้ยงที่ดีนั้นเมื่อต้อนแกะของตนออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามท่านไปนี่คือแบบอย่างเมื่อผู้เลี้ยงเดินไปไหนแกะก็มองเห็นครับ และแก่ก็จะเดินตามผู้เลี้ยงนั้นพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่สินั้นพูดถึงผู้เลี้ยงที่ดีพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระเยซูไม่เพียงแต่เป็นประตูของแกะก็คือคอยเฝ้าคอยระแบตดระวังดูแลฝูงแกะของพระเจ้าแต่พระเยซูยังเป็นผู้เลี้ยงที่ดีดูแลฝูงแกะของพระองค์ เช่นเดียวกันพี่น้องครับผู้รับใช้ที่เป็นแบบอย่างนั้นบางครั้งเขาอาจจะพูดไม่หวานไม่ใช่เป็นคนปากหวานแต่ผู้รับใช้ที่เป็นแบบอย่างนั้นเขาทำให้ดูเมื่อเขาทำให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั้นก็คือว่าแบบอย่างก็เกิดขึ้นและผู้รับใช้เช่นนี้แหละครับศาสนาจาันย์ฟิลิปเพงนั้น ได้เขียนว่าเขาจะได้รับมงกุฎพระพิมพ์ได้กล่าวถึงมงกุฎสีชนิดครับมงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยมงกุฎแห่งความชอบธรรมและมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีพี่น้องครับมงกุฎแห่งชีวิตปรากฏอยู่ในพระธรรมยากรบทที่หนึ่งข้อสํบสองหรับคนที่อดทนต่อการทดลองใจพิมพกล่าวว่า คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเขาจะได้มงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎที่สองครับคือมองกุฎที่ไม่ร่วงโรยหนึ่งโครินบทที่9ก้าข้อยีถึงยีเเป็นมงกุฎสำหรับคนที่วิ่งแข่งบนเส้นทางชีวิตบนทางแห่งจิตวิญญาณและเขาได้วิ่งอย่างดีและในสุดมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยก็จะเป็นของเขา มงกุฎประการที่3ครับมงกุฎแห่งความชอบธรรมมงกุฎแห่งความชอบธรรมนี้คือคนทั้งปวงหมายถึงพวกเราครับที่ยินดีในการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในสองทิโมธีบทที่4ข้อที่7และข้อที่8ได้บอกว่าคนเหล่านั้นได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลังได้แข่งขันจนถึงที่สุดได้รักษาความเชื่อไว้แล้วอาจารย์มาโลบอกว่ามงกุฎแห่งความชอบธรรมจะเป็นของขพเจ้า และมงกุฎที่4ครับเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีนั้นเป็นมงกุฎของผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงแก่ของพระเจ้าที่ดีที่ได้วางแบบอย่างไว้อันนี้เราพบในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่4ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับแต่เมื่อพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลยพี่น้องครับเมื่อพูดถึงมงกุฎนะครับหลายหลายท่านก็อาจจะมีคำถามว่ามีมงกุฎตั้งเยอะตั้งยาแบบนี้เวลาใส่ไว้บนศีรษะของผู้นำหรือเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าเวลาที่เราได้รับรางวัล น, นั้นมงกุฎจะซ้อนขึ้นไปหลายชั้นยังไงพี่น้องครับ บางท่านบางคนนักวิชาการก็บอกว่ามงกุฎนั้นอาจจะเป็นมงกุฎเดียวครับบางท่านก็บอกว่ามีหลายมงกุฎอันนี้ไม่แน่ไม่นอนครับเราจะต้องรอคอยเวลาที่เราจะไปเห็นของจริงและเมื่อถึงตรงนั้นคข้อสงสัยคำถามก็ไม่มีนะครับมีแต่ความชื่นชมยินดีเพราะว่ามันอยู่บนศีรษะของเรา หรืออาจจะเป็นสภาพสัญลักษณ์เปรียบเทียบก็ได้ว่าเป็นสง่าราศีเป็นรางวัลของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับเราอาจจะไม่ใช่เป็นมงกุฎจริงๆหรืออย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่นักวิชาการก็ได้พูดกันไว้อย่างไรก็ตามครับให้เรากลับมาถึงคําว่าแบบอย่างแบบอย่างนั่นคือคําว่าโมเดลแบบอย่างชีวิตครับสําคัญมากกว่าคําสั่ง หรือการใช้อํานาจข่มขีข่มขู่บีบบังคับพี่น้องครับผู้นําที่ดีจะต้องไม่ใช้อํานาจจะต้องใช้การเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของลูกน้องผู้เลี้ยงที่ดีก็เช่นเดียวกันครับเราจะต้องใช้ความเป็นแบบอย่างที่จะเข้าไปเป็นผู้ที่นําเขาให้เขาได้ มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นและสามารถจเจริญเติบโตได้ด้วยตัวเองในอนาคตนั่นคือภาวะการเป็นผู้นำที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีผู้ที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าที่ดีพี่น้องครับผู้เลี้ยงที่ดีนั้นเมื่อต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนําหน้าและแกะของท่านก็ตามท่านไปนี่คือองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์ปรารถนา ให้เราเป็นคนที่สร้างสาวกและเมื่อสาวกได้เติบใหญ่เติบโตนั่นแหละครับคือเขากาลัง survive หรือกำลังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองและเติบโตได้ด้วยตัวเองและนั่นคือรางวัลเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติของเราที่เราได้มีโอกาสเลี้ยงดูเขาให้เขาเติบโตขึ้นได้ขอพระเจ้าเสริมกาลังพี่น้องที่รัก ในการที่จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพี่น้องทุกท่านครับเราได้รับคำอัญชาจากองค์พระเยซูเจ้าให้สร้างคนให้เป็นสาวกเราจะต้องมีคุณสมบัติของผู้เลี้ยงดีๆผู้เลี้ยงที่ดีนี้ได้กล่าวไว้แล้วใ น, ในวันนี้คือเลี้ยงด้วยแบบอย่างครับเลี้ยงด้วยหัวใจอามน